ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ตรงที่17 2535แล้วก็จะเล่าเรื่องความเป็นมาขอ ง, ง, ง, งวันที่11สิงหาคม2535ท่านฟังเมื่อวันที่11สิงหาคม2535เวลาประ ม, มาณ8นาฬิกา ล้มตัวลงนอนจากการงานเมื่อเส็นหนังสือเสร็จตอนเช้าถึงเวลาแปดในการก็ล้มตัวลงนอนนอนพร้อมกับคำพาวนาและพิจรารณาใช้อารมณ์จากอนาปราณสติสองสมครั้งจิ่เกเรเมื่อจิตเรียบดีแล้วก็ใช้พิจารณาร่างกาย เมื่อพิจารณาร่างกายเสร็จทิ้งจิตสะอาดก็ตั้งใจจะไปเทวสภาที่นักบการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วออกจากร่างกายเมือ่อออกจากร่างกายเห็นเทวดานางฟ้ามากมายเห็นท้าวมหาลัทธิสีเทวดาทั้งหมดจําจนวนมากท่ายนยินรักขายอยู่ทั้งทบริเวณวัด ก็บอกทจ้งว่าขอบคุณที่ให้เรารลักขาที่มีความไม่ตาตรอดมาแต่ว่าพอเหลียวไปําได้ซ้ายมือก็ปรากฏว่าเห็นพระยายมกลับในวันทีใหญ่ท่านยืนยิ้มอยู่จ่งเดินเข้าไปหาท่านถามว่าท่านเป็น อ, อะไร ท่านถามว่าเวลานี้ท่านจะไปไหนเอเดนท่านทบอกว่าเวลานี้ต้องการจะไปไปที่วสภาไปขอบคุณท่า น, นผู้มีคุณทั้งหลายที่เมตาสงเคราะห์เขาเบอกว่าวันนี้ผมมีงานสําคัญอยากจะนิมนต์ท่านไปที่สนาไกรของผมก่อนก็บอกว่าได้ เมื่อไปแล้วถ้าไม่หมดเวลาก็ไปไหว้พระเจ้าได้แต่ถ้าหมดเวลาก็เลิกชั้นเพนเป็นว่าท่าก่อนําไปแล้วทันพระยายอมพลนันบอกว่าท่านจงอย่าเปลี่ยนร่างกายอย่าใช้ร่างกายเป็นทิพย์จงแช่งร่างกายในความเป็นพระไปอย่างนี้แหละเพราะวันนี้มีธุระสาคัญ จึงทำอย่างนั้นแล้วก็เดินตามท่านไปขั้นเมื่อไปถึงสนาพระยายมเกิดอาคารหลังใหม่เกิดขึ้นแต่อาคารนมีทั้งเจ้า้องคาข้างล่างปโปรข้างล่างมีแท่นหลายแท่นปโปใสายมากสวยสดงดงามมากท้าบอกว่าวันนี้ท่านไป็ตัวเขา้าสมนาการผม ท่านพักตรงนี้ก่อแล้วกันแล้วท่านก็นั่งอาตมาก็นั่งกลางพญายมนั่งขวานาวันทินนั่งออกซ้ายหลังจากนั้นก็มีเทวดาหลายท่านที่นอ่รับขาอยู่แล้วยืนตามระเบรียบก็ไ ม, ม่ทราบแต่บอกว่าเท่าที่มาในวันนี้มันมีคนอยู่ผู้พวกหนึ่งที่ตายจากความเป็นคน แต่ว่าจิตนึกถึงท่านตลอดเวลาพมที่ให้เทวดานำมาไว้กลุ่มหนึ่งนอกจากบริเวณทีใ่ในในในสบายเขาเขาควบควบควบควกันยืนยึงกลุ่มนั้นประมาณ12สองคนตั้งอาชีพอยู่กลุ่มนั้นเห็นเทวดาแต่งตัวสีแดงแดงคุมอยู่แต่การคุมก็ไม่มีอาวุธมีทราฐางอรกานบางครับเป็นเืองว่าใหา้กรรัะคา ให้เป็นการควบคุมกอยู่ในที่นในขอบเขตดัง น, นั้นไม่น่าเสียจเลยแล้วพระยาจอมก็บอกว่าปล่อยคนพวกนั้นมาเขามีคำสั่งว่าปล่อยบรรดาสนังหลายก็คนทั้งสิบสองคนก็วิ่งมาพูดไเข้ามายังไม่เกรงใจใครอาเทข้ก็หน้าแล้วก็กราบ กราบเสร็จก็เคยตั้งขมาพระดมือเพราะว่าผมเป็นลูกสิษย์ของท่านครับเชืได้ถามว่าเป็นลูกศิษย์ของฉันทำไมจะต้องมาที่นี่ท่างมือก็รายงานบอกว่าผมเป็นลูกศิษย์จากหนังสือไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยไหว้ท่านโียตรงแต่อยู่ที่บ้านใจผมนึกไหว้ยอยู่เสมอเวลาบูชาพะระผมนึกถึงเห็นตามภาพหน้าเทพเทพกระเซิงขับเสียง เพราะนึกถึงอาภาพนั้นเป็นสำคัญเพราะว่าภาพนั้นรู้สึกว่าจะหนมกว่านิดหน่อยแล้วบอกถูกแล้วภาพมันไม่แก่คนมันแก่ได้เรรมดาผู้ครบคุมก็เลยบอกว่าเข้าที่นำมาที่นี่แล้วก็ท่านพญยาย ม, ม่พักนอกจากคนที่ควบคุมทั้งหลายก็เพราะว่าเวลาที่ไปรับขนาดที่ก่อนและพวกนี้จะตาย ไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงอุศลแต่ว่าใจก็ามีนึกถึงบาปเท่านี้เขามีทุกขเวทนามากแต่ว่าพอตายมาแล้วเอาร่างกายเดินตามมาต่างคนต่างคนบบนถึงท่านต่างคนก็ต่างรายงานบอกว่าผมเป็นลูกศิษย์ฤๅษีจึงดำครับฤๅษีจึงดำมาอาจารย์ผมขอท่านฤๅษีจึงดำมาช่วยผมด้วย ธรรมดาพวกขุนก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาท่านเอลสีดึงดำท่านเอลสีดึงดำจะพบกับพวกเธอได้ต่อเมื่อไปที่สนักพยาลมก่อนแล้วเขาก็ถามพวกว่าที่สนักพยายมจะพบได้ยังไงตอนนั้นเป็นหน้าที่ของพยายมท่านเขาว่าตายพร้อมกันหรือก็บอกว่าเรวมดาก็ว่าไม่พร้อมกัน พวกนี้ทั้งหมดมาคอยท่านอยู่ที่นี่ประมาณยี่สิบมนุษย์ที่ต้องให้เวลามากเพราะว่ารอเพราะทราบคนี้จะหมดอายุรอให้มาพร้อมพร้อมกันอันใดแล้ในเวลาเท่านี้ก็ยังไม่ถึงเวลาการสอบสวนให้สอบสวนคนอื่นไปก่อนพระยาเยงก็บอกว่าถ้าสอบสวนมันก็มีหน้าที่ปล่อยถ้าก่อนจะปล่อยผมต้องการให้พบท่านเก่อน พราจะได้สั่งสอนอะไรกันบ้างเพื่อการเฟื่องฟูความดีให้ดีกว่าเดิมจึ่งถามเธอทั้งหลายเหล่านั้นว่าเธอตายเพราะโรคอะไรบางคนก็บอกว่าตายเพราะโรคกับเพาะอาหารบ้างตายเพราะวันโรคบ้างตายเพราะอาการอย่างอื่นบ้างมีการไม่เสมอกันแล้วก่อนจะตายมันมีทุกเวทนามากก็ถามว่าตามที่ฉันสอนไว้ ว่าจงยาวมีจิตว่างจากอารมณ์สมาธิให้นักถึงพระเป็นอารมณ์ในหนังสือก็มีตัวอย่างอยู่ทำไมจะไม่ทําเธอก็บอกว่าทำเหมือนกันแต่จิตมันไม่แม่นคงนักมีความเคารพในท่านจริงแต่ไม่รับไม่รับคําสอนโดยตรง จ, รงจรึงทําบ้างมาจะทําบ้างก่อนจะหลับบาทีก็ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้าง ตอนนี่กเ็เพ้อไปบาง ว, างวันก็ไม่ได้ทดาบ้างเพราอ่านแค่หนังสือเที่ยวเดียวก็ใจไม่แม่งของนักสถารัสธนาแน่ตอนนี้พอร่มป่วยลงเมื่อเมื่อเมื่อมีทุกขเวทนาหนักอารมณ์ภาวนาก็หายไปแันวถ้าเสียดถ้าปวดปวดนั่นปวดนี่เสียดนั่นเสียดนี่นแน่นอกบ้างอัดบ้างพันมีแต่ทุกขเวทนาก็ลืมนึกถึงบุญทุกข์ส ตอ น, นี้เมื่อจิตออกจากร่างร่างกายปรากฏขึ้นก็เห็นเทวดาสีองค์ท่านไปรอยอยู่ท่านบอกว่าเจ้านายให้มารับก็มากับท่านแต่ในระหว่างทางผมก็บอกกับท่านบอกว่าผมเป็นลูกฤาษียังดำท่านมาที่ต้องเป็นนักพยาโยมด้วยเทวดาท่ากนก็บอกว่าฤาษีจังดำกับพยาโยมเป็นญาติกันคือพยาโยมเป็นพี่ชายฤาษีจังดำ นายบัญชีเป็นหลุงท่านฤาษีจิงดำฉะนนทุกคนที่มีความรบในฤาษีจิงดำจะมีกําลังใจอ่อนอย่างนี้จะต้องไปสนักพยายก่อนเพื่อพบฤาษีจิงดำเท่าที่หลายเรื่อก็บรรยายความเป็นมาในความรู้สึกความเป็นมนุษย์เมื่อความเป็นมนุษย์มันมีจากความทุกข์ เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะหลายตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นของผมบางคนก็รวยมากบางคนก็รวยน้อยบางคนก็มีทรัพย์น้อยบางคนก็มีทรัพย์มากเพราะทรัพย์สินต่างๆที่หามาไม่เคยเกิดประโยชน์เลยเนลานี้ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของผมมันก็ไม่เป็นแล้วผมไม่มีสิทธิ์ไปปกครองลูกหรือเมียเขาก็เป็นอิสระของเขา ผมไม่มีสิทธเป็นปกครองแต่ผมเวลานี้มีความต้องการอย่างเดียวคือความอิสระภาพต้องการไปอยู่ในดินแดนที่เป็นความสุขถามว่าแดนไหนเธอก็ตอบว่าแดนแดนสวรรค์บ้างแดนพุมธมโลกบ้างก็ถามว่าใครทำบุญขนาดไหนไว้บ้างก็มีหลายหลายว่ามีการให้ขานมีการรักษาศีล เปการเจริญภวนาเป็นการฟังเทศแต่การให้ทานก็ไม่ได้เป็นนิดนึกถึงทานบ้างไม่นึกถึงฐานบ้างกว่าจะนึกถึงทานก็ต่อเมื่อทานเหตุของทานปรากฏอย่างเขาได้ลายบอกว่าจะสร้างโบสถ์ให้คนนึกถึงทานขึ้นมามีเงนินเลกน้อยหรือมากมายก็ส่งไปสร้างโบสถ์ใครจะสร้างเส้นลาก็ส่ ง, งก็ทำบุญกับเขา เขาจะเลี้ยงพระก็เข้าเุินกับเขาเจอคนขอทานก็ให้บ้างไม่ให้บ้างถ้าร่างกายดีเกินไปก็ไม่ให้เท่ากับขี้เกียจถ้าร่างกายดีก็ไม่ดีก็ให้จิตใจไม่อยู่สภาพไม่คงสำหรับการภาวนาไม่แน่นอนนักภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้าง ก็เตเพียว่าเอาหนังสือประวัติหลวงพปานมาอ่านชอบใจหนังสือเรื่อนี้มากที่รู้จักท่านก็นเพราะว่าหนังสือหลวงพ่อปานหนังสือประวัติตงพ่อปานมีคุณประโยชน์มากแนะนําต่างๆมีความเข้าใจจริงๆเพิ่งเข้าใจพุทธศาสนาที่บันทึกประวัติหลวงพปานนเองที่แรกก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละคําว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็หมายความว่าไม่แน่ใจนัก พระท่านก็นไม่สอนอะไรเวลาไปวัดพระจะให้ศีลท่าสวดมนต์ตอนสายท่านก็เทศทา่านกเอาหนังสือมาอ่านบ้างเทศเปล่าเปล่าบ้างแต่ไปดูพระจริงๆท่านก็ปฏิบัติไปแน่นอนนักพางองค์ก็เครื่องคัดดีบางองค์ก็ไปเครื่องคัดบางองค์ก็เล่นหมากรุกบ้างเล่นหมาฮอดบ้างพระองค์ก็ดื่มน้ำชาสบุรี แต่ว่าการดึงนักชาตสมบรณ์เปของธรรมดาถ้าคุยก็คุยโดยเฉาะทางโลกป <c oughs> อรบว่าคนนั้นเป็นอย่างไงคนนี้เป็นอย่างนี้ก็รมความแล้วไม่ได้เรื่องถ้ายายอมหวานมาเตือนมาคุณเวลามันใกล้จะหมดนะพรได้คุณมาที่นี่ไม่เกินสามสิบนาที ตอนนี้ไปคุณก็แนะนําเขากหน่อยสิคก น, นี้จะไปสวรรค์ได้แน่นอนอื <c oughs> แต่ว่าคนที่ไปพุทาโลกก็ไม่อยู่อย่างคนนี้นั่งอยู่ด้านท้ายสองคนสองคนนี้นึกถึงท่านเป็นปกติก่อนจะหลับนึกถึงท่านตื่นอยู่นึกถึงท่านถึงนึกถึงท่านเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ฌานเท่าสองคนนี้มีโอกาสไปพรม แต่ว่าทั้งสาวทั้งหมดนี่น้นไปสอนก็ดีไป็นปฟังก็ดียังไม่มีโอกาสหมดทุกข์เขามีวาสนาบารมีดีพอที่จะหมดทุกข์ได้นั่นก็คือไปนิพพานแต่ถ้าว่าการที่ไปนิพพานได้ต้องใสรับคําแนะนำเท่าก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะนาเสือเด่นนั้นพูดถึงนิพพานไว้ พวกคนจับใจในพระนิพพานตอนแรกก็นึกชอบใจว่าพระนิพพานมีดินแดนเป็นที่อยู่ไม่สูนเหมืนที่เขาพูดกันมีวิมานเป็นที่อยู่เป็นดินแดนของความสุขเราต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปงั้นเมื่อเขาทั้งหลายแล้วนั้นต้องการพระนิพพานแต่บางท่านอารมณ์ก็อ่อนไปบางท่านก็มีอารมณ์พอเป็นเป็นพมได้ก็ยังไม่พอ ขอให้ท่านแนะนำหัวข้ อ, อนิพพานสักนิดนิดพวกนี้ตั้งใจฟังอยู่แล้วผมต้องการให้ทุกคนไปพักที่เทวดากับพรมนั่นก็ตอบไปนิพพานเลยจึงขันมาถามพรกนั้นบอกว่าต้องการจะฟังเทศไหมพุกคนยกมือพนมมาพร้อมใจฟังครับเพราะตั้งใจฟังนะฉันจะเทศตามที่พระพุทธเจ้าท่านเทศ ฉันจะไม่ความรู้ของฉันมาเทศความรู้ที่ฉันเขียนไว้ในหนังสือหลวปานมันหนักมากมันเป็นอารมณ์หนักแต่เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศกับเทวดามีอารมณ์เบามากคอยฟังให้ดีก็กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอมรทมท่านเคยจัดไว้อย่างนี้กับเทวดา ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าเมาในความเป็นทิพย์ในฐานะที่เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างการเปเทวด า, าก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีไม่ใช่จะอยู่ที่นี่ตลอดกาลตลอดสมัยสักวันหนึ่งข้างหน้าในเวลาไม่ช้านักก็จะต้องจุดติถ้าทุกคน ทุกท่านเและหลายท่านเมาในความเป็นทิพย์ไม่สร้างความดีต่อบาปเก่าที่ท่านสั่งสมมาแต่ยังไม่ได้ชําระหนี้บาปคือทําบาปก็ทําความทําบุญก็ทําแต่บุญท่านทําเล็กน้อยมากกว่าบาปเันพระหนึ่งจะทําบุญสักครั้งหนึ่งแต่ว่าอีกเจ็ดวันมันเว้นทําบาปเสียเว้นไปทําบาปเสีหมด ทำบาปเจ็ดวันทำบุญหนึ่งวันบางท่านก็ทำบาปถึสิบสี่วันคือวันพระไปคำไม่ได้ไปทำบุญทาบุญเฉพาะวันพระสิบห้าคำบุญที่ทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นบุญแล้วก็บุญได้เป็นบุญผิวๆเป็นหมายความว่าเวลาท่านรับสาราตั้งใจสมาทานศีลก็มีจิตไม่ไมั่นคงนัก เวลาใส่บาตรพระก็ น, นึกตั้งใจใส่บาตรถวายพระใจว่าเป็นประเพณีเวลาฟังเทศบางทีก็ชอบใจฟังฟังท่องเรื่องไม่ได้คิดตามเทศบางทีก็ฟังไม่ชอบใจฟังก็ฟังไปเรื่อยเพื่อ่อจะเทศจบกรวรงความอบุญทีท่ท่านทํามาแล้วเป็นบุญที่มีอิสองิยเล็กน้อยไม่มากนัก เขากาลังใจมีความไม่มั่นคงพอต่อจากนี้ไปขอทุกท่านหลายจงคิดว่าความตายเข้ามาทั้งเราเระมาสวรรค์ได้แต่ว่าถ้าเราจุติจตัเทวดาบาปทั้งหลายที่เกาะใจท่านอยู่มองดูใจที่พวกเห็นก็เห็นกรุทุกคนก็เห็นกลุ่มบาปมันกาะใจเป็ น, ใในสีดำเป็นกองใหญ่มาก พวกคนก็ยอมรับวาบาปมีจริงเกาะอยู่แต่ว่าเวลานี้บาปให้ผลไม่ได้เพราะมันเป็นเขียรติแดงของเบญดาบาป พ, พวกนี้แหละที่จะดึงท่านนหลายให้พุ่งหลาวลงนรกให้เมื่อจุติจักความเนเจบดาเป็นนางฟ้าหรือพรหมฉนันขอท่านานหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดอยากเป็นมนุษย์อยากเนเจดายาเป็นนางฟ้าอยากเป็นพรหม ตั้งใจไว้เพื่อพระนิพพานอย่างเดียวขณะที่พระเจ้าเสด็จทั้งบาปทักรชี้ให้ดูแต่นรกทั้งมีไฟสว่างไสวมากในการลงโทษเป็นกรรมกรทํางานถูกทุบบ้างถูกตีบ้างถูกฟันบ้าถูกเขาทับบ้างอย่างนี้เป็นต้นไฟก็พุ่งมาทั้งสี่ทิศพื้นก็เป็นเหล็กแดงเผาถุกถูกชน เมื่อเห็นนกเห็นภาพของนรกวันดาเทวดาพรนางฟาสหลายก็กลัวหวาดกลัวพระเจ้าก็บอกว่าทุกท่านจงตั้งใจไปนิพพานแล้วก็ชี้ไปที่นิพพานเห็นนิพพานเป็นดินแดนที่มีอยู่สูงกว่ามไม่มากนักเป็นแก้วขาวโพลนเป็นร่กายแผ่พาไปรยยบเสษแดนพิพานมีแต่ความสงบความเป็นอยู่ข้ารหันมีแต่ความสงบ ไม่มีความวุ่นวายแล้วองค์สมเด็จพระจอมาก็ทาทว่าท่านนองหลายท่านชอบใจนรกไหมเทวดาทั้งหมดก็บอกว่าไม่ชอบใจแต่ท่านก็เตืนว่าอย่าลืมนะว่านารกยังท่วมทับใจท่านอยู่รงหนีนรกวิธีหนีนรกคือวันหนึ่งยอมรับนักถือพระพุทธเจ้ายอมรับนักถือพระธรรม ยอมรับนถือพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจอย่าจงอย่าทําใจคลาดจากความการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าประทำพระอริยสงฆ์คิอว่าเราจะเคารพพระพุทธเจ้าประทำพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ยอมให้ภาพนี้คลายไปจากใจของเรา เราจะนึกเห็นพระเจ้าอยู่เสมอนึกเห็นพระธรรมนึกเห็นพระอริยสงฆ์เป็นหนติให้ประกาศลยสองขอท่านทั้งหมดจงพากันลมีศีลบริสุทธิ์จะเป็นศีลห้าก็ตามศีลไปดก็าตามศีลสิบก็าตามกำหมดสิบก็าตามศีลสองรอยยี่ก็ตามทําได้อย่างเทวดาฉันยา ม, มาชันดูสิเจ้าพรม้ม สามารถรักษาสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดได้มรรจ์ธรรมดาฉันอยากมาซึ่งจะเป็นกามมาจนสวรรค์ก็ไม่สนใจกับโลกภายนอกแล้วตั้งใจสวดมนต์บ้างจเจริญภาวนาบ้างเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าทุกท่านมีขอบไข่หรือความเป็นเป็นขอบข่พระที่ายเป็นขอบเขต <c oughs> จงตั้งใจคิดว่าถ้าจุดติจากเทวดาและนางฟ้ า, มมาหรือสมอะไรเราก็จะไปนิพพานทันทีมาเทศบัญชีงตอนนี้ก็บอกว่าท่านน่าร้ายพระพุทธเจ้าท่านเทศเท่านี้นะเวลานี้ทุกคนเห็นนรกหรือยังทุกคนก็ตอบว่าอย่างพญายมก็ชี้มือให้บอกนี่นรกเห็นมันแดดไฟแดงฉาน หมายความว่าเป็นไฟแดงโชดเขาสัตว์นรกนายนิบาลฟันบ้างแทงบ้างทุบบ้างเป็นต้นจับกรอกด้วยน้ําทองแดงบ้างบางส่วนของสัตว์นรกก็ถก ข, ข, ขอกเสียบจนกระทั่งขยับตัวมไม่ไหวก็มีเพราะนั้นเห็นแล้วก็กลัวแต่ยายมถามว่าเวลานี้สัตว์อะไรให้สวรรค์นัดีอย่างเขาตอบว่าเห็นแล้ว เห็นพรมโลกแล้วได้อย่างเขาต่อไปเห็นแล้วเขาเห็นได้มรรพานได้อย่างเขาบ อ, อกยังไม่เห็นถ้ายังไม่เห็นก็ไม่ใช่น้าทีที่พระโยมจะแนะนําแล้วพระท่านก็นแนะนําไม่ได้ชี้ให้ดูไม่ได้จะเป็นหน้ า, าทีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าฉะนั้นท่านนองหลายเวลานี้การเวลามาถึงแล้ว มุ่งเก่ามีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่วันนี้ขอตั้งใจฟังเทศตั้งใจฟังเทศตั้งใจปฏิบัติตามปฏิบัติตามได้ไหมคิดได้ไหมว่าถ้าเราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือผมเราจะไม่เมาในชีวิตเราจะคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เขาก็ตอบว่าคิดได้อาการที่สองเราคิดว่ากลายเป็นเทวดานางฟ้าหรือผม สักวันหนึ่งเขาหน้าจะต้องจุดติถ้าเราพลาดจากความดีจะลงนรกคิดได้ไหมเขาบอกว่าได้ถ้าเราตั้งใจทงความดีตามที่พระดนเทศเราจะปา น, นิพันธ์จำได้ไหมถ้าบอกเขาบอกจำได้พยายามถามว่าปฏิบัติได้ไหมเขาบอกปฏิบัติได้ไปขอไม่ยากท่าหนหลายปบอกทราบว่าการที่ไม่ต้องการสวรรค์ไม่ต้องการพรมโลก น่ต้องการมนุษย์นี่เป็นการตัดอวิชาเพื่อความเป็นพระอาหารหันต์หลังจากนั้นพญายมก็บอกว่าทุกท่านไปอิสรภาพแล้วไปได้ตามความดีของท่านดี่ลงไปและ็ณะพญายมกับอาตมา ก, ก็ตั้งใจติดตามเธอไปเธอเป็นเทวดา บ, บ้างเป็นนางฟ้าบ้างมีวิวานสวยสง่างามแพร่พราเป็นระยบ เป็นนิมมานแก้วท่านที่ไปเป็นพรมสองท่านกั บ, บ็มีมานสวยสดงดงามมากทรงเครื่องประดับสีเหลืองตั้งใจในความเป็นพระอราบันดาเทพุทวัทธรรมหลายพูดไปพูดมาเวลามันก็ใกล้จะหมดก็เปลว่ลาม า, วารวเข้ามาถึงถึงเวลาแล้วก็พยาลาพยาลมกลับ เมื่อลาพระยาโยมกับก็ตั้งใจจะไปที่เทวสภาแต่องค์ง ส, งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าฤาษีเวลานี้มันก็อยสี่โมงครึ่งเป็นเวลาที่คุณจะต้องฉันเพลงจงพักเสีย ก, ก่อนหลังจากเพลงฉันเพลงเสร็จเร็วแรกจึงไปเทวสภาก็ได้ อระองค์สมเด็จพระจอมใจพระมหากษัตริย์ทรงเตือนอย่างนั้นก็กราบท่านก็ราเข้าร่างกายตามเดิมอันบรรดาท่านพระบริษัททั้งหลายถ้อยคําที่กล่าวมานี้ทั้งหมดข อ, อยืนยันว่าเป็นความจริงแต่ภิกษุเป็นภาระเดียด ม, มาต้องทําเป็นปกติคือยามปกติเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อื่นก็จิตก็จะเข้าถึงสมาธิคือต้องตั้งใจสภาวนาทันที คำานวบ้างพิจารณาบ้างจาางิตก็จะมาจะไม่ว่างจากคำนวและพิจรารณาเน่ า, จากจจะมีงานอื่นเข้ามาแทรกขอสนงหลายถ้ามีโอกาสก็ทาตามนั้นเราตายจากความเป็นคนเราจะต้องจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นธรรมดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมเพราะยังไม่คนทุกข์ เราตั้งใจงวว า, าเฉพาะอย่างยิ่งนั่นคือพฏิบัพา์แห่งเดียวอรัมบันดาสนางหลาปพดเวลาพอดีนกาตีเตือนสองครั้งก็ขอลาท่านก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลย่อมีแด่ท่านพุทธศาสนชนพระรฟังทุกท่านสวัสดี